วิยาแสดงออกของความบิดเดืนทั้งแบบ แ, แสดงให้เห็นถึงดนถ่งนี่ความมากน้อยเนี่ยสาคัญ น, นสที่ตัดความปรุงปรนตัดความ ห, าหูอะไรออกได้หมดเพาฉะนั้นพรานแต่ไหนจึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังสงเลยขันแปดสิ่งที่เลยขัแปดแต่ก็คือการน้าผมุงปกรด okay. การันเราไปได้สบายสบายไม่เห็นมีอะไรไปอยู่ที่ไหนก็สบาย่าจะไปก็จับของสิ่งนั้นนั่นจับของงานมใสตมูบตรักเต็มบาตรพอดีจะพายาเาพราะนั้นปักกรรมาฐานบาดให่บางคนไม่เข้าใจเยพรกร ม, มาฐานเน่เป็นคนน้อยฉโดดทำามต้องมีบาตใหญ่หต้อม่เข้าใจความหมายของพกรรม า, าน ทำไมทำบาดใดญ่ตัวจะอาหารมากๆมาฉันแต่เพิ่มบาดใหญ่นั้นใช้ถืนกระเป๋าเดินทางถ้าบาดดูปเล็กๆอย<ม>่ใส่สังขาติดตัวเดียวก็หมดแล้วที่นี่ของนันจะเอาใส่ที่ไหนไม่มีที่ใส่เมื่อบาดใหญ่เรามุ้งก็ลงที่นั่นสังขาติดก็ลงที่นั่นนะโค้ไฟก็ลงที่นั่นพอดีเป็นถ่ายมีก็งของห่อก็ลงที่นั่น สะพายพอดีเลยหนักก็พอดีไม่หนักมากกดก็แบิกแล้วบาด ก, ก็ะบายแยา่านลึเล็กน้อยใส่ทั้งบาดนึงก็ได้ยยากเไปเป็นแหนกกราถุกสบายมองดูตั้งแต่ล่มไม้ชายเขาที่ไมนสะดวกสบายในการบงเพ็ญสม น, าานักธรรมไม่ได้มองดูองโลกเรื่อ ง, องสงสาร เรื่องมัทธุสิ่งของเงินทองซึ่งจะเป็นการพอกคูณกิเลสขึ้นภายในจิตใจขณะนี้ในในก็มองหาตั้งแต่เรื่องชาระกิเลสอย่างเดียวหูฟังก็ฟังเพื่อชำระชำกิเลสตาดูก็ดูเพื่อชำระกิเลสอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางต า, งางมหมตูนึงการใจนี้พิจารณามาเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสทั้งมวนแ้ะเมื่อมีแต่การถอดถอนอย่างเดียวอย่างนั้นกิเลสมันจะยกกองทัพมาจากไหนมันถึงจะหมดไม่ได้ มาถูกฆ่าถูกทำลายถูกกำจัดปัดต่าไม่ได้ส่งเสริมมันให้แตกลูกเต้าหลานเดินลงมานั้นจะมีพืชมีพันมาจากไหนก็หมดไปหมดไปหมดไปผลที่ทยก็เปรี้ยงภายในใจิตใจไม่มีเหลือเพราะอุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นทุดงที่สิบสามมีข้อายบ้างที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเล นอกจะเป็นเครื่องปราดบเี่งเหล็กเพราะนั้นไม่มีเพื่อนข้อใที่เป็นเครื่องส่งเสริมเพียร์ชั้นในบาทวางที่อะไรอะไรก็ลงในบาทหมดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วสาวทั้งหลายดำเนินมาอย่างนั้นกันทั้งนั้นไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาทสําหรับพระ บาสนี้เหมาะสมที่สุดเป็นภาชนะมันเหมาะสมอย่างหนึ่งสำหรับพระเหตุผลที่เอก ข, อ, ข, อ, ข อ, องในบาสนั่นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราจะได้พิจารณาเรื่องบาตรเรื่องธรรมเวลาอยู่ภายนอกอยู่ถ้วยนั้นจานนี้อาหารทชนี้นั้นอาหารชนนี้สีเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งรสเป็นอย่างหนึ่งเวลาเหมาะสมกระแสกันแล้วเป็นยังไง ือมาพิจารณาคุกค้ากันเข้าในบาทแล้วเป็นยังไงเทียบนี่เราฉันไม่เพื่อให้เกิดกิเลสไม่ให้ฉันแบบลิ้นยากท้องโตแล้วฉันแบบพอเป็นประธานธรรนั้นเพราะการขบขันฉันนะถ้าเป็นลนักษณะรื้อตัวนะผมดูไม่ได้นะถึงเตือนเมื่อสองช่วงวันนี้ก็นบุกพูดจนได้ดุคนม า, มากกเขาต้องดุถ้าไม่ฟังความหมายของเราเลยเราพูดเรามีความหมายทุกอย่าง จัด้วยเสร็จแล้วช่องมาแข่งไปแล้วแล้วก็ซดกันเลยไม่อะไรตัวอะไรลืมพลังลืมไปหมดลิ้นเนะ่ยเหยียบทำแหลกหมดไม่รู้สึกตัวเลยถ้าแล้วใครเอาเอ า, เอาสแก้กไปสเนี่มันเทสแก๊กไปสิก็ดืดๆไปเลยถ่ายัย่างนั้นต้องการอย่างนั้นใส่ถ้วยแล้วก็ซดนั้นสดนี้สดซ้ายสดขวาเราไม่ได้เลยเคยลืมนะพ่อแม่โคจันมัน หาอุบาตีหน้าผากพระโดยยกเราเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในการแสดงธรรมนี <Pop keys am expand> ่การตีหน้าคากพระองค์มันดื้อด้านมันมีพระองค์มันดื้อด้านนีวาองค์นั่งอยู่ต่อหน้าท่านเลยคอยเช็ดตาดล้างบาดให้ท่านพระองค์นั่นเนี่ยแล้วก็ซดอยู่ต่อหน้าต่อตาขวางตาท่าน เห็นอยู่เราก็เห็นอยู่นี่ไม่ได้คุยไม่ทําเลยเพราะเห็นท่านทํำยังไงแล้วเราดําเนินตามนั้นเพราะได้ยินชัดเจนด้วยการตั้งใจไปศึกษากับท่านท่านเคยพูดท่านมันไม่ฉันยินช้อนเห็นมันท่านสดอะไรตอนแก่ชรามาจริงๆไปไม่ได้จะทําไงเขาก็รู้จนท่านถึงได้สื่อสารคือท่านพูดด้วยนะไม่ทราบมันเป็นยังไงท่านบอก ถ้าดูทำธรรมดาแล้วก็มีไม่น่าจะขัดตําหลักทําหลับดีในอะไรเลยแต่ว่ากำหนดถึงหนึ่งช้อนหนึ่งสดนิ่มไม่ทราบเลยมันขวางจิตทันทีทันว่างันน่นเพราะฉนันนี่ถึงไม่ทําขวางจิตท่านจันมั่นกับขวางจิตคนมีกิเลสทั้งหลายมันเป็นหรือว่าขวางจิตท่านจันมั่นกับมันล่องรื่นของคนมีกิเลสมันเป็นไง คนมีกเกล็ดชอบชอบอนั้นอหารอะไรอร่อยเท่าไรเลยสบดใ า, า้จอดวาฝูกเฟือยมากอะไรจนลืมเมื่อลื ม, ลมตัวนั้นทอบบางคนมีเหล็มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอาจารย์มันม่นไม่ใช่คนประเภทนั้นเวลาพูดอะไรออกมาจริงเป็ น, น, น, นที่จับใจที่สุดซึ้ง ย, ยืดอะไรอางนั้นจัดของลงในบาตเอาช้อนลงไปตัก ในบาทชัดขึ้นมาแบบขุนนางนี่อังเดอฉันแบบขุนนางไม่ใช่แบบเห็นภนะัยนว่าแต่สงสารไม่ใช่แบบเห็นภัยในกิเลสอันแบบส่งเสริมกิเลสแบบดืมเนื้อลืมตัวแบบขุนนางคือแบบดืมตัวเี๋่วนี้จําได้ไหมไม่เลยนะสอนตองนะั้นตั้งแต่บัดนั้นเราได้อีกเนื้อไม่ไม่ไมออกมาเข้ากินารปฏิบัติดูกับท่าน ท่านถึงใจหาอุบายอีกด้วยเวลาเร า, าไปเที่ที่หนที่นึง่งเพราะก่อนไปเราก็ประกาศนักการลาท่านทุิงอย่างท่านเห็นพร้อมแล้วเราถึงไปไม่ใช่ไปแบบดื้อด้านหาทำด้วความมื ด, ดำำามําคำาถางตัวเองหลายอยางได้รู้แล้วก็ไปานานๆวันเปร่วงเก้าวันสิวั 9, 8, 8, 8, 8, น, นไปแล้วไม่เห็นมา มันจะถามอะหืมาหาเห็นมาหรอหน้าหน้จะถามตรงหวถามว่าหืมแต่หาศึกษาด้วมเยนนะถึง้เคยมาไม่เห็นหมาหรอกหาศึกษา้วยในะทั้งทั้ที่ท่านก็ทราบได้ดีแล้วว่าเราไม่เคยทำเลยของทุกสิ่งเราเข้าในบาตหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาชนะที่ไหนเลยดังนั้นหื ในนี้นั่นจะใส่นี้นจะใส่แล้วก็ใส่ในบาทเสร็จแล้วเท่านั้นเองท่านก็เห็น ช, ชัดๆผมนั่งไม่ห่างไกกันแล้วอยู่กับท่านมากี่ปีท่นทนชานจะไม่ชัดได้ไหมตาขนาดท่านจันมั่นใจขนาดท่านจันมั่นทำไมจะไม่ดีแต่เห็นได้ท่านมีูพื่อนนะอ๋อโจจ้าจะขออย่างนี้วะตาอีน่าผ่ า, หนห า, า, นนาวนนั้นไม่ต้งเรู้อยูแต่ไม่ทา ในความเจริรับพักดีต่อท่านขนาดไหนท่านทราบนี่นี่นมันระวังเรื่องการดืมเลื่อืมตัวไม่ใช่คองดีไม่สมกับผู้มาคือปฏิบัติเอา้ามันจะเป็นยังไงมันเป็นไปเถอนลิ้นอันท้องนั่นน่ะขอให้เล็้ยงทำเสมออย่าไปเลง็งลิ้นเล็งปากจะไปเห็นแก่ยิ้นแก่ปากเห็นแก่ความอาดีตอร่อยอือนี่คือคือความลืมตัวความประมา ทาลงไปแล้มันก็แค่ลิ้นเองมอร่อยก็อยู่แค่ลิ้นนี้มันอยู่ที่ไหนเ ค, เคี้ยวเคี้ยวคืนลงไปแล้วลงไปถึงน้นแล้วมันปรากฏว่ามีรสชาติอะไระไม่เห็นมีอะไรไแล้วก็ไปเรื่ของปฏิกูลโสโครกให้กันอยู่ในท้องของเรามันมีอะไรเป็นพิเศษ<ไ><ไ>มันไม่เห็นมีนี่เป็นพุงหวานนี่เป็นพุงขาวนี่เป็นภูุงแกงนี่เป็นพุงผักไม่เห็นว่าไงนะ ไม่มีห้องมีหักด้วยถ้าพูดห้องหักก็ดีแต่ว่ามีภูมิหลายภูมกิก็เพื่อจะใส่นู่นใส่นี้หลายอย่างหลายประการคนละแหนะมึงมคนละสัตว์ละสวยอันนี้ไม่มีเมื่อลงบัญหามันก็เป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ข้างนอกมันเป็นว่าอะไรนั่งหาลืมเนื้อลืมตัวพิจนาไม่เห็นอาจเห็นธ ร, รมอาหารชนิดใดลงมาเข้ามาครับคลุกเค้ากันกับของโจกก๊กโปรกตั้งแต่น้ําลายอยู่ในปากนีเท่านั้นเนี่ย ลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรดีเลยแล้วจะคิดถึงเรื่องน้ําลายนี่นมันก็จะเืินไม่ลงหรือป่าอย่างนี้เราไม่ได้คิดมันคู่ครากันกับอาหารนั้นเราก็ไม่คิดถือว่าเป็นความอร่อ ย, ออยถ้ามีน้ําลายไม่นีน้ำลายไม่อร่อยไปเสียไหนทํำมาอยู่ข้างนอกแวเอาเข้ามาอยู่ในบาศนั้นซึ่งไม่มีอะไรตกกับกเลยทํำไมจึงจะตป็นบ้าตื่นไปอย่างนั้น ต้องฝึกต้องดัดจิตไม่ได้ไม่ดัดไม่ได้นเอาให้เอาให้ใหแข็งแกร่งเดี๋ยวเราจะไปอารมณ์ตามมันเนาะเคยอารมณ์ตามมันมาพอแล้วไม่ใช่เคยอารมณ์ตามมันนะไม่ไอนุโลมคือคล้อยตามมันหลงตามมันมานานแล้วถ้าอารมณ์ตามมัน ก, ก็เรามีดีกรียอยู่แล้วเนหะมือนมาขออันนี้มาขออนนี้ก็แบ่งให้มันบ้างเรามันใหญ่กว่ามันแล้ว นี่ยกว่าอารมณ์ไอ้ไม่อารมณ์ถูกจงจมูกจมูกขาดหนึ่ถ้าว่าเป็นแบบจูงสัตว์อาณะอย่างนี้เลยจูงคนต้นหนักในธรรมเสมอผู้ปฏิบัติมีอะไรก็วาดมันลงไปแล้วอันเรียบมุดไปเลยฉันพอยังชีวิตมันเป็นไปประม้ณมุ่งอะไรพอฉันเมื่อวานแล้วกับวันนี้มันต่างกันอะไรมันก็เท่าเดิม ฉันมาแล้วตั้งแต่วันบวชกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอาหารชนิดใดชนิดใดก็เคยผ่านคิ้วฮาร์ประสาทเข้าไปในท้องในปากผ่านออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันมิเศษวิโสถ้าไม่ไม่มีทําให้มีเศษสิ่งเหล่านี้มันมิเสษเป็นไม่ได้มันเสมือนกับโรคทั่วไปที่เขารับทานกันแล้วคิดอย่างนั่นอะไรที่เกเป็นสาระคุณจากการบปฏิบัติจากการขอควันฉันให้นํามาพิิจารณาไม่ลืมไม่ดืมตัวใน เวลาหนึ่งก็มาลืมตัวในเวลาหนึ่งจบในเวลาขบฉันถูกลดเหยียบย่าทำลายแล้วจนแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยอี้ก็ไม่ได้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความอยากมันเป็นมันเป็นของมันอย่างนั้นขณะที่ธาตุขันมันกําลังเร่งมันก็มีแล้วก็เคยเป็นแล้วขนาดชันลงไปจน่างเต็มท้องหาที่บรรจุไม่ได้ทั้งปากมันนั้นยากัต่พระตะคือไม่มีความอิ่มพอเอาผลที่สุดเอาข้าวเปล่ามาฉันมันหวานไปเลยอีกเละ หนึนี่เรื่องธาตุเรื่อขันเป็นแต่จิตใจไป็นอันหนึ่งที่ต้อบังคับหนะ่อันนี้เรก็เราก็เคยได้ทำแล้วเคยไปพูดให้หมูเพื่อนฟังที่เหตุที่จะดัดจะของเห็นรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบากันก็เพราะตอนที่ธาตุขันมันกําลังบุนแรงฉันก็เจ้าซะด้วยเ น, นี่ยก็เจ้ามันไม่เคยอยู่ท้องนานแหละเพราะเราไม่เคยถ้าเคยก็ไม่เป็นไรยู่โคราช วาทาช้างสมัยกรรมฐานอารมณ์ไปเรื่เราก็อยู่ท่าร่อนท่าช้างชันอะไรมันก็ไม่อิ่มมันจนกระทั่งลำคานนะเราเลยเพราะเรามุ่งทำนี่แต่ท่าชันมันไม่สนใจกับอัดกับทำอะไรกับเราลิ่นปากไม่สนใจอัดทำอะไรรามันมีแต่จะเอาท่าเดียวชันลงไปเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอไม่อิ่มเอาไม่อิมันเป็นไงเอาฟามันลงไปเอาไม่อิ่มเอาจนกระทั่งไม่มีใส่ปรากฏว่ามันเต็มอัดกันเลย ขนานั้นนูเหมือนว่าอัดลงไปเลยแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยากยังอยา ก, อยากเอาเข้าปเปล่มาฉันมันก็หวานไปเลยเอ๊ะมันทํำไมยังเป็นอย่างนี้วะน่าลาคันนะแล้ว อ, ออกจากนั้นก็ไปล้างบาตรล้างบาตรกลับมาเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกหิวข้าวอยู่แล้วแล้วมันทำไมเป็นปอย่างนี้วะนี่แนละ้วต้นเหตุจะดัดกันนะ ก็ให้กินมาเมื่อสักครู่นี่จะแท้หวังมันยังไม่ถึงสามสมาทีเลยอิ่มออกมานี่มาล้างบาตรเจบาทแล้วมันได้เข้าถัลกเลยทําไมถึงอยาก่องตั้งแต่นี้ไปถึงอันบุืิชามเขายี่บสี่ชั่วโมงมันทำไมมันเก่งนักหรอว่าลองมันจะตายจริงๆริงหรอเไม่ได้กินมันจะตายมันก็จะลองว่าหกเจ็ดวัน่ะเอาเลยกระดิ่งตัดันึ่งตัดสินใจปุ๊บลงไปมันตาก็ตายนั่นช่วงเจ็ดวันนี้มันจะตายเพราะไม่กินข้าวให้ถึงตาทีวังจะทดลองดูให้รู้ความหนักเบาของท่าของขันมันจะไปเป็นไปขนาดไหนก็หยุดเกลกเลย ไม่เอาจนกระั้งถึงกำหนดขึ้นมาทันนี่มันไม่เห็นตายเลยนะนี่ยจากนั้นมาก็พอฟัดพอเหี่ยงถึงจะหิวจะอะไรถ้าขันมันจะดื่มอยู่อย่างที่ด่างเด้งประทันทีนี้จิตใจก็ปล่อยกังวลได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้ว น, นี่นเป็นเรื่องของธาตของขันมันกําลังดูดดื่มมันเป็นอย่างนั้นอยนั้นเราอดแล้วเท่า น, นั้นวันทำนนี้วันทาไม่เห็นตายหี่ยคือพูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นหิวเอานักเอาหนา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 ทำเป็นสาคัญให้ฝังอยู่ภายใน จ, ใจิตใจอย่าให้เองเนะเอียงสึ่งภายนอกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องถาดเรื่องขันให้เป็นอันหนึ่งอย่าให้ถือสิ่งอนั้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมจิตใจจะค่อยเป็นไปแลาให้จหมูกปวดขันสิ่งใดที่จิตชอบเก้าเก้าปอซเป็นยุทถ้าเป็นจิตเราธรรมดามักจะชอบในสิ่งที่เป็นพันแต่ถ้าจิตมีธรรมขึ้นเป็นระดับนั้น มันมีชอบหลายด้านหันหมุนก็มาชอบในธรรมภายนอกมันทําละไม่ได้ขนาดไหนมันก็มีลักษณะชอบแต่มันก็รู้สึกตัวแล้วมันพยายามแก้ไขกันไปโดยลำหนักจนกระทั่งความชอบในเรื่องเหยื่อของเรื่องโลกเรื่องสงสารมันจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งความรู้สุดชอบทั้งหลายหมุนไปทางธรรมล้วนๆทงนั้นมันก็สบายแรงของโลกมันไม่ดึงดูดจิตใจได้ มีแต่จิตใจดึงดูดกระทำหมุนกันไปเลยพยายามตั้งตั้งใจปวดใหม่บวดเกา่าหยิดไม่เป็นใหม่เป็นเกา่าเป็นตัวดื้อด้านอยู่เหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหละเราจะหวังเอางามความดีเอาความเป็นที่มงคลเอาความถูกความปเป็นเลยจากใจของเราเวลานี้ใจของเรามันเป็นไปด้วยพิษด้วยภัยจึงต้องชำระสักพออฝึกฝนปรามาณหนักบ้างเบาบ้างเราก็ทน เพราะเรา ท, ทาเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความสุขความจเจริญโดยถูกทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในบรรดาการปฏิบัติทั้งเราที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วมฝึกตน น, นั่งสมองยาทําความอดแอจิตมันถึงมีเรื่องที่จะแสดงออกมาทานทา น, นั้นทางนี้กลมายาของกิเลสหลอกเราให้เถอะไปจนได้เนี้ยหลักใจเป็นสาคัญตั้งหลักใจให้ดี การพุทธปฏิบัติยายอดหย่อนอ่อนกําลังไม่เปิดผมอะไรดีขึ้นนี้ต่ผลเสียหายจะตามมามีความเข้มแข็งโดยลํำดับลาดั บ, บ, บ, บ, บ, บเหมือนเด็กพุชัดเดินพุชัดไปนานพนานข้าวเด็กก็เดินได้ชำนทํา น, น, นาญมีเอาให้มันมีความชำนิชำ น, นาญนถือกิเลสทั้งทั้ ง, งว น, นั้เป็นค่าสิบต่อต่อธรรมหรือเป็นค่าสิทต่อใจยอย่าง มันจะอยากขนาดไหนอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังขนาดไหนให้ทราบวันอีกความอยากนี้คือความกำเริบของกิเรพพิเรพเรกำลังกำเริบเวลานี้ให้ทราบให้เขา้าใจอย่างนั้นเราจะไปคอยตามมัน ท, ทีเดียวนั่นไม่ใช่นักอฏิบัติถ้านักปฏิบัติแล้วต้องเป็นอย่างนี้เมือมันมีความอยากซึ่งเป็นเกี่ยวกเกี่ยวกับเรื่องทางโลกทางร่างสารทางตาทางหูทางจมให้ทราบว่านี่กิเลพกำลังกำเริบอยาก ออกไปทางหูทางตาทางสมองมันกำเริบแล้วเราจะหายาอะไรเป็นเครื่องยายารักษาหึหาสิ่งใดมาปราบมาทรมานกันนั่หลัง น, นี้ถูกต้องพระคุตังต้งใจปฏิบัติวงแคบกว่าแล้วเดี๋ยวกรรมฐ า, านเราจะไม่มีต่อไปแล้วจะมีแต่ชื่อนะกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านเพราะโลกามิตรนมันทำลายหวัวใจของผู้ปฏิบัติทังลาย ถ้าหาว่าไม่พิจารณาไม่เข้มหวดกับคังจริงๆก็ล้มดันนาไปได้ในตัวไม่ต้องสงสัยคิดของสมมุตินิยมอํานาจของสมมตินิยมมันเหยียบย่ำทลายไปได้หมดทุกชาติทุกชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยถ้าไม่มีคันเป็นเครื่องตั้งคันเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วมันก็เหมือนคนเป็นโรคไม่มียารักษาไม่ไม่มียาป้องกันตัวเหมือนกันนัเลยมีเรามีทั้งเครื่องป้องกันตัว พยายามพิจารณาทั้งด้านป้องกันตัวทั้งด้านพยายามแก้ไขถอนถอนฝุ่ฝนธรมารตนหรือธรมาร์กิเลสให้มันหมดมันสิ้นไปโดยลำดับยาลดหนักความภาคเพียงย่าทอดแผล น, นั้นไม่ใช่ทางของพระโพธิสเจ้าเมันจะเกิดความทอดแผลขึ้นมาให้คำหนึงถึงพระเจ้าซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ฟังเสกษัตริย์ทรงผนวด ออกร่มแทบแทบร่มแทบตายใครจะหนักใครจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทําเป็นตัวอย่างมาแล้วไม่ได้ตรัสจะได้ตรัสรู้ตรัสรู้ก็ในความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจังความจะัะเป็นจะ ต, ตายของพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอยึดมาเป็นหลักทั้งแนวทางด้วยยึดมาเป็นหลักใจทั้งคําว่าพุทธะนั้นด้วยเป็นหลักใจหลายด้านหลทางช่วยตัวเองต้องหาบายวิธี แก้ไขาหาวิธีช่วยด้วยสติปัญญาไม่งนั้นไม่ทันกิเลสนะกิเลสมันหมุนตัวรอบด้านปัญญาเราไม่หมุนมันทันกิเลสได้อย่างไรเดี๋ยวมันเกี่ยวเยียวเอาเยียวเอาแหลกไป <c oughs> จิตใ จ, จ, จมีสิ่งเป็นพิ่เป็นภัยฝังจมอยู่ภายในตัวแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้ เราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะอยู่สถานที่น่ะอยู่สถานทนี่เพราะอาหารประเภทนั้นเพราะปัจจัยปัทธิธรรประเภทนี้ที่มาพอกพูนส่งเสริมให้มีความสุขความสบายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดร้อยกว่าเเซ็นหันหลังให้ทำอันใดเวลานี้ที่มาก่อของทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งติข้าวก็ฉันอิ่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเรื่นชื่อว่าปัจจัยเครื่องบํารุงของพระนั่นอ่ะไม่ มีขาดตกบกพ้องแต่เหตุได้จิตใจหาความสุขไม่ได้เปนะ็นเพราะอะก็เป็นเพราะกิเลสนั่นเองเป็นผู้ยุ่วผู้ยั่วผู้แย่ yeah. ทิ่มแทงอยู่ทุกแง่ทุกมุมขึ้นทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันใดที่จะแสนนอนยิ่งกว่ากิเลสนี่แหละก่อให้เกิดความทุกข์ความลําบากแก่เราไม่ใช่สิ่งอื่นจรงใดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทกของกิเลสว่ามันเป็นอย่างนี้ และหาอุบายฝึกฝนอบลลรมนิทรรศการให้ทันกับคนมายาของมันด้วยสติปัญญาของเราอย่าอยู่เฉยๆหัดคิดหัดปิินิพพิจนาแทกกันเข้าน้ําปักน้ําปักน้ํายอก เ, เอาบ่งเอาน้ําบ่งแทรกกันไปมันขึ้นมาเนี่ยแล้วทิกเนี่ยนั้นออกมาพี่ชาดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญามันหาสงใส่นี่ชื่อว่าผูป้ปฏิบัต <c oughs> ิเราจะเห็นอันใดในโลกนี้มาประเสริฐยิ่งกว่าฐาน ประเสิญยิ่งกว่าใจที่สิ้นสุดจากที่เรียนหรือหมดสึ่งจากที่เรียนด้วยการสุดฝนอบรมด้วยทรมานของเร า, าเราถึงงานอันนี้เป็นงานหนักแน่นถือ ง, งา น, อนนี้เป็นงานชีวิตจิตใจของเรางานเพิ่งเป็นเึิงตายผลก็ได้เป็นที่เพิ่งเป็นเึิงตายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใจสําคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าหันเหจิตใจไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นพืนเป็นใสเราเคยคิดเคยตรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วที่ต่างในโลกนี้มันไม่ มันมีทั่วทั่ไปมันไม่บกพร่องในการรู้การเห็นตาเมื่อตาดีหูดีแล้วผลประโยชน์ได้มามีอะไรบ้างเอามาเทียบเคียงที่นักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงที่ชายดูความหนักเบาโทษคุณของมันเป็นยังไงแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงนิงสิดตัวออกได้ด้วยอุวายต่างๆของเราที่คิดอย่นี้เป็นประโยชน์แก่เราหมุน ไ, ไปโดยลำพังการปฏิบัติให้ทําอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ตาม ผู้มีความเพียรด้วยสตินั่นแหละคือผู้มีที่พึ่งปริจารณ์การแสดงไว้ด้วยความพิสูจนทั้งหลายเธอจงอยู่ให้นะบบมีที่พึ่งนย่าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งย่าอยู่แบบอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้อย่าอยู่แบบคนสิ้นท่าย่าอยู่แบบคนเป็นกรอกเป็นมุมไม่สอดเสียงหาทางออกอย่าอยู่แบบหมูขึ้นเขียงอ่างเด็กอยู่แบบไหนอยู่แบบตรงกระทำแบบฟิดเสมอผิดเสมอชนไม่ถอย สู้ไม่ถอยขุดค้นองไม่ถอยทรมานไม่ถอยตบต่อยไม่ถอยเอาสติปัญญาเรามีในด้านใดสู้ไปทุกระยะทุกด้านนั่งหิ้งแย่วัดนักรบลูกจิตตาขาต้องเป็นอย่งจิงที่เราจะเป็นที่พึงใจที่สุดก็คือจิตที่มีสติมีปัญญามีความเพียรขึ้นคุ้มครองรักษาชมดอกชมผลขึ้นมาที่ไห น, น เป็นความสงบอย่างน้อยสงบภายในจิตใจเย็ใในใจอันนั้นก็มีความแยกขายออกไปโดยลําดับจิตใจเมื่อออกสู่ปัญญาแล้วย่อมแยกขายสติปัญญาเขาขยายตัวไปขยายตัวไปคลี่ค่ายเห็นจิเลตเป็นขั้น ข, นขันเป็นตันตอนเห็นทุกเแง่ ท, งทุกมุมไปโดยลําดับๆจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเปลี่ยนไปเคลืน่นหัวหลังจนติด ช, ชินชินปากโอ้ชินปากฟังชินหู แต่ใจมันด้านมันถึงไม่ซึ้งในสมุทยัยสมุทัยคืออะไรก็คือหอกคือเหลาทิ่มแทงหัวใจเรานนแนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นโทษของสมุทยัยแาะว่าแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์รืธรรมชาติที่ผลิตทุกนะข์เนยคลนมาทิจใจนั่นแหละ มีสติอยู่ถ้าสิ่งกําลังไม่พอมันก็เป็นเหตุที่จะไม่รั่วกำลังไม่พอนี่ก็คือจิตจะแยบไปหามันขอให้นิ้วเงของมันว่ามันกําลังมากกว่าเราหลังที่จะแยบไปก็เพราะกำนี้อํำนาจของสติไม่พอกัอการแยกออกไปของจิตเมื่อไปเจอสิ่งที่มันแยกออกไปแล้วจะด้วยความสําคัญของตัวเองนะในส่วนดูเสียงกลิ่นรส สิ่จเป็นสิ่งที่จะสัมผัสทางตาทางหูมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ทรมารมณ์เนี่ยมันเร่าภาค่วนเจอแล้วแก้แกไม่กแกว้วพรากำลังไม่พอสิ่งคิดออกไปนี้กำลังสติไม่พอมันเป็นคิดไปได้นะให้อยู่ด้วยความภาคภูมิใจเวลามาพิจารณาถึงเรื่องความเพียรจะขอให้รภาคภูมิใจ พยายามรมัดระวังรักษาเหมือนเวลานี้เราเป็นนักโทษที่ถูกกิเลสอยากย่ำทำลายถูกกิเลส ข, ข่มกดขี่ข่มเห็นทุกด้านทุกทางไม่มีการสถานที่เวลามาเวลาอิเดียบทตั่งอยู่ในหัวใจให้คิดให้ถึงใจนะสิ่งนี้ผู้ปฏิบัติต้องคิดสิ่งนี้ให้ถึงใจเสมอจะไปทำใจจืดจางเฉยเฉยเมื่อยตปกับสิ่งเล่านี้ก็เท่ากับเปิดทางนั้นเข้ามา เขาหมดนั่สมบัติทุกควรจะได้สมักผลไม่ผ่านเริ่มถึงกับสมาธิขึ้นไปเก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี่มันร้อนมันเข้าที่ตรงไหนมันเผาที่ตรงนั้นเหมือนกับแดดร้อนๆไฟร้อนๆเผาตรงไหนมันแหลกไปหมดไม่แม้รากไม่สดไม่แห้งแม้ตะเหล็กมันละลายได้เพราะหน้าแห่งความร้อนอมกิจก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนรับความรุอมร้อน คือพายสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเกิดไม่ได้เพระที่เหลีอมันเป็นเหมือนไยเอาเผาเลาอยู่ตลอดเวลาถ้าจะของเผือนแม่ระมัดระวังมันต้องให้ถือว่าเรานี่แหละผู้หนึ่งว่าแน่นเลยที่จะเป็นผู้สามารถที่จะเท่าทุนมาผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าประธานทําไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนแต่โลก เลื่อมาจาสั้นหวัหนึ่งผู้สน้อมข้อเมตตาของพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิบัณโนอุทุยานะสายหีบปฏิบันโนสําหรับนักบวชเรานี่คือผู้ที่เทิดทูนสมบตอพระพุทธเจ้าได้่อเทิทูนในสายเหตุอันนี้ได้แล้วผลไม่ต้องขูก็ต้องตามมาตามสายเหตุอันนี้ไม่หนีจากนี้ไปได้ในโลกธรรมะสูตรทั้งท่าน สแสดงไว้ในมตุตโตไทเนี่ยก็ทําสแสดงเอาโลกธรรมมาสูงมาแสดงแต่ท่านสแสดงในภาพปฏิบัติเพราะฉะนั้นจงถึงใจแต่มาเขียนก็ไม่ก็เท่าไรนะมาเขีย น, นแรมกมัก็ทำให้รสชาติเบาลงไปประการหนึ่งก็ขพ้นอยู่กับผู้เขียนมีความลึกตื้นหนาบางขนาดไหนในทางความรู้ความฉลาด<ม>ถึงจะนำออกมาจาก ปากต่อปากต่อคำท่านัาเขียนใจมันก็ไม่ไม่ได้เป็นอย่างใจของท่านเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมมันจึงอ่อนลันไปโดยลำดับลำดั บ, นนบในโลกธรรมวัตถท่านแสดงไว้ว่าโลกธรรมเป็นของมีอยู่ในโลกมาตั้งเดิมไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วไม่ควรตื่นกว่คนนจะไปตื่นเต้นเฮือมอกับมดทั้งดีทั้งชั่วเป็นของมีอยู่แล้วตั้งเดิมสอน ในโลกธรรมะคุกผมดูไม่มีกาแปลแต่เข้าใจเพราะมันเกี่ยวกับบาลีที่เคแปลมาแล้วพออ่านเข้าปมนเข้าใจโดยการตามมาแล้วอย่าเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับธรรมดาโลกธรรมนี้ไม่ว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยคนงูคนฉลาดจะต้องสัมผัสสัมพั์หรือจะต้องโดนโลกธรรมนี้จนได้ หรือถูกโลกธรรมนี้มันโดโนเอาให้ชัดปฏิเสไปจนได้เหมือนกันถ้าไม่มีสติสรุปลงไปแล้วหว่นอย่างนั้นในบรรดาโลกนี้เราที่เกิดมานี้มีในต้องการโลกธรรมอย่าไปหวั่นไหวให้ถืออย่าถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าถือสิ่งใดให้หนักยิ่งกว่าธรรมถือเรา เทาโคตรเป็นแบบเป็นระเบทาโคตรเดยเคยกระทบกระทั่งมาอย่างแสนสาหัสมาแล้วแล้วได้ผ่านมาด้วยสติปัญญาของเราเองมาอย่างดีถือเราเป็นแบบเป็นระเบีบผู้เรียนมากเรีย น, น้อยย่อ ม, มดได้รับความกระทบกระเทือนจากโลกกระทั่งคนโง่คนเลาบได้รับความกระทบกระเทือนมาตาม่ต า, ตางๆกันหมดแต่สําคัญพูดมีความสลดัดหาอุบายแก้ไขได้จริงฮะ ยกเอาตถาคตเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไว้ท้าคตเคยผ่านมาแล้วอย่างไรในที่เจรจาเรื่องโลกธรรมนีอย่างไรออมองดูเราเหมือนกับมองดูโถงชัชนะนี่เราเป็หลักใหญ่ที่เป็นสอนหนึ่งโลกกรรมไปมีลาบเสียงหยาบมีเลือดเสืยงเอดท่นนั้นเสดินทานสุขทุกข์แต่มาเสียไปมันก็เป็นหนึ่งเป็นโลกเป็นเรื่องโลกธรรมนั้นไปเรียนนายม่เห็นมีกีลังท้าวอนอนแเลย ถ้ามันทำผิดรู้รอดถึงวันนี้แล้วจิตก็จะเองไปตามความได้เอนไปตามความเสียเอนไปตามความได้ก็มาใชรของดีเอนไปตามความเสียก็มาใช่์ของดีเอนไปตามคำชั้นลสรญก็ไม่ใช่์ของดีเอนไปตามความยิงทาก็ไม่แชรของดีเป็นสิ่งที่ขาดทุนทั้งนั้นนี่เพาะนั้นจึงต้องตั้งหลักให้ตั้งเกณฑ์ให้ดีสติให้มั่นคงปัญญาเป็นิพิจนาแยกแยกมันออกมันผ่านมาอย่างหูท้ายตายิบยักยิบยักยิ ถ้าจิตใจเป็นผู้มันคงไปแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่เก็บพิภยัยจาวนั้นไว้ด้วยธรรมรารมภายในใจิตใจเผาตัวเองต่างไปคิดมีเหตุผลแก้ไขกันไปหลวงธรรมสูตั้นแสดงว่าย่างังท่านไม่ใครถือใครเป็นหลักหรือพูทธรรมสงสุดท้ายแล้วก็บอกถือแล้วจะถาก อแบบ๋เป็นแบบเป็นสมบับเราได้กระทบกระทืทั้งมาแขนต า, าแล้วดําเนินมาอย่างไรเราดําเนินมาอย่างันคือหลักนี้อล้รับใช้ชนะพ่อย่างไ่ให้เดินตามนี้อยวันอยา่ยาไว้พุทธังตะมันช น, น, นะอาจารย์ให้ถึงปิดทุกคนตังหน้าต่งตางๆเพื่อปฏิบัติยาอ่อนแอเรื่องความภาพเปลี่ยนไม่ว่าหน้าที่การงานใดให้เป็นไปด้วยความจงใจความมีสติ อยู่กับงานนั้นๆสติก็อยู่กับตัวถึงแม้จะไม่ได้คิดพิจารณาในทำสว่วนะเอียดกว่านั้นสติก็ไม่ได้ปล่อยตัวเองอยู่นี่ก็ที่อยู่นี้กติขั้นหนึ่งเป็นธรรมขั้นหนี่แหลธรรมขั้นเหล่านี้แหละที่เราพย า, ายามรักษาในจะรวมตัวเข้ามาเป็นพลังงานสำคัญจนกลายเป็นความมีสติย <capacidad. S 2> อยู่ตลอดเวล า, นนาลเป็นธารมทานมหาสติมหาปัญญาไปจากไหนถ้าไม่จากไปจากลบลกคูกกกก่ขานี่ซึ่งฝึกแล้วฝึกเราฝึกไปฝึกมาก็มีความแบบนี้ทํางานอีก จนกลายเป็นสติปัญญาตโนมอก ไ, ได้แล้วพิจนา ม, มาเคยไปปฏิบัติเจอพิจาณามาแล้วย้อนหลังตั้งแต่เริ่มป้ปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงบางทีเกิดความน้อยอกน้อยใจน้ำตาล่วงก็มีผมเคยเป็นมาแล้วยินเลยฟังทรามจากครูบาอาจารย์ทั้งเหล่าวิธีจิตที่ทีดำเนินสถานไปอยู่สถานที่ น, นั้นจิตเป็นอย่างไรอยู่สานที่นจิตเป็นอย่างนี้เล่าประทศายก็ยิ่งละเอียดและอวไปเรื่อยเร่อยบาทีเข้าไปในห้องคุยกับท่านมี สนุกอยู่ในห้องเพราะตามธรรมดาใครไม่เข้าอะไรในห้องเข้าได้เล่นท่านออกมาเล่าเก็บนอกนี่เข้าไปในห้องคุยกันยิ่งเราฟังถนัดทัดเยี่ละเอียดละ อ, อ่อนแล้วรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองพราะตอนนั้นจิตก็ยังไม่ไหลังได้เกยนอะไรท่านก็รู้สึกว่าท่านพูดตอบโยนได้ดีเหมือนกันนะดีมากมันสอนเด็กชว่านเพราะท่านรู้หัวใจเราเนี่ย ถ้าเรมีความเชื่อความเลื่อมใสต่อท่านมากขนาดไหนมีความมุ่งมั่นต่อพระพิพานมากขนาดไหนท่านก็รู้เรามุ่งมั่นจริงๆความเลื่อมใสต่อท่านเราเลื่อมใสอยู่ตามเต็นทั้งกาลังแห่งภูมิของเราที่เป็นอยู่ในขั้นนั้นหรือไม่ผู้คานแต่มันก็มีความเลื่อมใสไม่ล้มลุกความมุ่งมั่นต่อพระพุทธิพานไม่ล้มท่านก็คงเห็นที่ไม่พูดตอบอยู่น้วท่าน การพัฒนาที่แรกมันต้องมี่มยุคครูการแต่ความพยายามเป็นของสำคัญนะจะให้เกิดความที่นี้ทำงานไปได้เพราะความพยายามไม่หยุดไม่ถอยเลื่องทำงานไปอีกอเล่าเรื่องของท่านแต่ดีื่อยทังถึงนี้หมดหลุดพ้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดละอ อ, อที่สุดงานที่เขียนนั่นเองจิดมันหมองเกลียวเจื่อยลันหายเขียนตามนั้นนะแหละเราเกิดความอัศจกรย์มันอยู่ต้นไม้ต้นเดียว แต่เราลืมที่จะต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นอะไรท่านอาจจะเล่าให้ฟั ง, งชื่อต้นไม้แต่เรามันรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปรากฏว่าจําได้เลยนะว่ า, วาท่านได้เล่าให้ฟังแต่เราจำไม่ได้อย่างนี้เราไม่ปรากฏเลยัอยู่ไม้ต้นเดียวทั้งวันท่านเคยภาอหน่ที่นั่นดูดุ น, นเป็นลักษณะว่าเ ป, เ, ปเป็นกลางหินด่านหินพาราหินดัานทั้งวันท่านก็นั่งต่อน่อยอยู่นั้นเพราะไม้ต้นนั้ น, น, น, น, น, นร่มดี เย็นร่มหนาน่ะให้อยู่ตัวเดียวต้นเดียวพื้นที่ก็เหมาะสมด้วยในกลางคืนก็ไปภาวนาที่นั่ น, นันไะสบายพิจารณาเรื่องวิชานี่แหละนี่สุดท้ายมันต้องลงปหาวิชาปัิยายเนี่ยไม่ไปที่อื่นเพราะนี้เป็นรากเงอกของกิเลสทั้งมวลมารวมตัวคผู้พิจารณาทำทั้งหลาย เมื่อเวาลาสุดท้ายจะต้องเข้าถึงอวิชาปฏิยาโดยหลักธรรมชาติจะหนีไปไม่พ้นพราไล่เข้าไปตะล่อมเข้าไปตล่อมเข้าไปอมืมันก็ลงถึงก้นบ่อแล้วบ่อแห่งพิเรนต์กอยู่ที่ตรงนั้นภาคพันกันตะบ้านทันแยากขึ้นมาที่ถึงท่านเล่านาท่กันออกจากนั่นก็พูดถึงมีนึงพวกเถกโอ้ท่านพิชดารท่านชำนานมากจริงเรื่องเถกรู้สึกว่าท่านชำ น, นานมาก เข้าจิตไม่เข้าจิตก็ขนาดนั้นอย่างพวกเทศจะมาเห็นในคืนไหนท่านรู้ไว้แล้วนะบางวันเดินด้วผมพักอย่างวันต้องวันฤาจะมาอะไรเวลาเท่านั้นท่ทราบไปแล้วนะน่น่เพราะปกติท่านทราบไว้แล้วเท่านั้นว่าฤาษีจะพวกนั้นจะมาอะไรพวกนั้นจะมาแล้วท่านทราบแล้วนะ กท่านกับพวกนี้ประสานกันได้ดีท่านเข้าแข็งแั็งทันหมดรู้หมดโน่นตอนผ่านแล้วมันถึงเราบางทีมันดึนโกงนิงนึงแต่วันทั้งหมดพอพบเหมาเรั้นเราควรจะพักกอ่อนเพราะถ้าจะรอไปนู้นก็รู้อึกเหนื่อยได้กันกพักกอ่อนพอซุ้่วนใกล้เวลาแล้วค่อยลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าถี่แล้วภาวนาพอซุ้มฝนแล้ เรากถอยปิดมาดูขึ้่งว่าพวกเทพมาแล้วก็ทราบว่าเขามาแล้วนั่งพร้อมกันอยู่แล้วถ้าเขายังไม่มาครับเขามาก็ไม่มีเพราะเขาอิ่มกันบางทีก็กำลังหลังไหลมามีหัวหน้ามา ผหวหน้าผูา้ประกาศเพราั้นอะไรๆก็มีข้อคังใจอะไรก็พูดขอหวหน้าหหน า, าพูดคนเดียวตร น, นั้นเลรู้สึกว่ามนค่องแค่วมาในเรื่องประเทศที่หนตรงไหนมีเทพเพื่อนลู ก, กเทพท่านก็รู้ันคือบอกทราไม่ไปทำเช่วมทา ง, ทางแต่นัื่อแต่ันเทพอตรงโน้นนั่นนี่อย่ามเทพมาทางนี้นะอย่าไปทำอะไรแต่นนะ้พวกเทมา มาทางด้านนี้ต่างประเทศบอกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็บอกจะไปทาส่วนทาอะไรเพราะส้วมกรรมฐานขุดหลุมลงไปเลยใปแตุ่ดืมีคนขุดให้ขุดไม่ขุดก็ลงในซอกนีท่านเตือนท่านเตือนั้งหมดตลอดถึงผ้าเก็บทงเ็บเท้าสกปรกโรคอุ้งังท่านบอกณเวลาเกเยเรื่แล้วซักนังสกปรกให้ักสะอาดแล้วซักแล้เก็บเรืยรอย เน่ไม่ได้รักก็ตากตากแห้งแล้วเอามาเก็บใว้เรียบร้อยมพบเทรรือดตำหนินะฟังดิวางอะไรไม่ป็นระเบียบร้อยเอยขาเป็นถูกของเขาศาสนาเป็นของสะอาดนะนเนนป็นของสะอาดเปนของซื่อคามเปนของกฎมีระเบียบเล่าคำเดียวสงสีมสี่ห้าในลักษณะที่เปียกไม่ได้เรืร่องศานาเขาต้องมีถูกของเขานี่ยผ้านอนหลพเพราะครอบคลายเ่องขางการนำมาฟ้องศาน เตือนพระเวลาพวกกอยเร่งบอกคนตายมีด้วยไงมหลับนสุดที่ใสาจะใช้ทำยังไงแล้วก็มีกรรมัระวังบ้า ง, างอาจจีกว่านั้นะ mm hmm. นี่อาจจะมีข้อแสงเด็ดเตือนเตือนพระใย่างไหนที่เขาจะมาถ้าคนจะทำยังไงมันเตือนตป็นความฉลาดมากความชำนิชำนานคล่องแคล่วว่องไวมากเหล่าดงเทียนเป็นต้น mm hmm. ความแคร์มากไม่มีอะไรมีอากาศิยาที่พูดภกษาอังกฤษเป็นความที่ว่าเคยพินเหมือนเราไปเห็นด้วยตาได้ยินด้หงหงวยหูเราเรานําเรื่องที่เราไปเห็นด้วยตาได้ยินหงูมาพูดเราธรารมดาเนี่ยไม่ผิดอไรกันเลยแต่การพูดในพวกแต่นี่ท่านบางคนใงในที่ตรงนึสงฆะไม่พูดจะพูดเพียงสององค์สมองค์ทีเวลาไว้อยูวว่กับท่าน ผมหมดสไวท่นีหนั่งคุยสันมาัปันทพู้นันไปก็ไปสัมัดไม่ใช่าตั้งน้างัไปูเลยท่นนั้นก็เลยเราอยากฟังก็หาใแจ้ไปถามเรียนกาเรนถามทั้งอย่านั้นตักสิบ้ากาเรียนถามอย่างไรไม่มีแล้วเรื่จะอั้นเพราะท่านรู้ไปหมดแล้วนี่มันธเป็นหลักเป็นเกณฑ์สาคัญเกีบนาลสินบาทั้งหลาย พยายามทําตัวเป็นตัวอย่างแม่ท่านจะเขาเ้าแสกษลาแล้วท่านก็ยังไม่ละปฏิปทาของท่านความไม่ละปฏิปทานนหนึ่งก็คงเป็นเหมือนหนังปะกาศตการเคยทําอย่างนี้พอทําอย่างนี้บุ๋นไปมันรู้สึกสะดวกสบายดีดังพุ๊บเซอ่ารับสัง่งว่ากัปะันเอ้ยเธอโแก่แล้วอายุกัญญาข่าวเดียวกันกับเราอาจะลองมือบ้างก่อนว่าได้ไหม ลดดินบัตรบางกราฟหรือค่า๋ยวก็เริ่มงท่าบางะคุลคือทีท่าปฏิบิวนทะท่า น, นบอกท่านเหมาะ ก, กับระยะไส่อนท่านแล้ว ม, มีว่าไหมพองก็ไม่ว่าอะไรท่านต้องสั่งว่าอะไรกับอีกไม่ค้านเพราะมันเหมาะกับระยะไสแต่เาะนั้นท่านจะมั่นหนึ่งในความเหมาะระยะใสัาสางท่านคือ ท, ท่านเป็นคนมีสายเด็ดเดี่ยวเคร่งคัดอาฐารมาตั้งเดล้นอกจากนั่นไม่มีผู้ิรีฐานเขมาเสี่บวข้องมา กูที่จะคอยิึดเอาทางต่างๆตนท้ายมันมีอยู่เยอะท่านบอกหนวกกวดขันที่สุดท่านเจะบแค่ไปเถี่ยจะเอาน้ำมาพร้าไปฉันทั้งใจกางเพลินท่านยังไม่ยอมฉันพยันพยโย่จะให้ท่านฉันพุ่งเรื่องอะไรของท่านเวลาท่านว่ามาเน่โหเอ็บข้หมายก็มีแล้วท่นไม่ยอมฉันฉันทำไมฉันเอาข้าในตายแล้วก็จาฉันมันจะตาย หม่เหนหนยเหนียเห็นจิตเป็นจะตายพอที่จะสันนิบาตพาผู้ที่คอยจิต ด, ดเอาสิ่งต่าๆแบบของทิง้งอ่าท่านขนาดนั้นท่านยังไม่ละความสงสารดั น, นตงดับบินธาบัดเข้าถึงหมู่บ้านไม่ได้เขาก็มาดักสายการายเลื่อมาหดเข้ามาหดเข้ามาจนถึงประตูวัดหดเข้ามาตรงซางบินธา บ, าบัดเนขลาดมันร่วมหมูอเพื่อนึงนะ มีนอบาตรไปเดินมีสอบาตบนสลาครับเข้าสบายบนสลากเดินมีสอบาตรบนสลาท่านนักบูญจ๋อง ม, มาฉันร่วมบรรดาฤกธิ์ดูงหายจนกระขั่งไปไม่ได้จึงได้อาหารมาถวายท่านที่กุตติแต่ลงขนาดนี้ประชันไม่ได้แล้วอย่างว่ามีแต่น้าอะไรชุดนี้ิดหน่อยเลยเล่านี่เป็นตัวการเพราะตอนนั้นใครจะมาถือเป็นครับเป็นตัวอย่างประยุทธ์เอาตัวอย่างเขาจาท่านได้ยังไง เราก็กราบเรี่ยนท่านถ้าผมไปเกี่ยวข้องท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรๆก็ผมกับท่านหมือนอะไรชอบคนม <c oughs> ันยังมีอะไรพอที่จะพูดจะเถียงท่านได้แหละตามนิสัยของเราด้วยความสนิทใจท่านสนิทใจในท่านความรักความจงรักภักดีความรากักความเคารพเรื่องใสมันกลมกลืนเป็นเดียวกันพูดอะไรออกมาถึงจะมีการโต้การตอบการถกการเถียงกับการดั้งกับท่านมันก็มุ เหมือนกับเราว่าปากว่าให้หูเราฟังอุ่นไม่เหมือนว่าปากเราพูดออกไปเพื่อหูคนอื่นฟังพูดกปเท่าอาจารย์นั่นก็มีลักษณะแบบนั้นถึงท่านว่าเร้วว่าไงไงก็เหมือนถ้าท่านว่าให้หูท่านฟังเราก็ไม่ถือเราไม่สนใจเพราะหลักใหญ่ของเรามุ่งมันมีอยู่โน้นไม่ยึดอะไรเป็นอารมณ์ถึงท่านจะดุขนาดไหนโหดุมากดุผมเดี๋ยวก็ต้องหารกันฉันก็ราผมก็ะยาดท่านฉัน บางทคือให้แข็งขันวิธีนั้นให้แข็นขันวิธีนี้เราก็ทราบแล้วแต่เรื่องน้ำมะพร้าวแต่เราก็วี่กกาบเยนทัานทุกอย่างใครจะมาถือตัวอย่างต้ใจนี่มันก็เทวทัศน์เอานี้เลยก็มีพวกเทวทัศน์วาง้ท่านชนบ้างอะไรบ้ามไม่ได้ขนาดดิสบตไม่ได้จะแถ็เอาอะไรมาแข็งได้หรอเดียวเท่น้นะทำไมสองหนึ่งนะได้ไม่ได้ก็เท่านั้นละ ช้อนสองๆ้อสมช้ น, ช น, ชนกระทานั้นหลังนั้นแล้วหยุดเลยไมอ่ออกใครเอาไปยุ่ไม่ได้เป็นันว่าผ่านไปเลยนี่คือปฏิบัติทางของจอมปราบในสมัยปัจจุบันปฏิบัติทาของท่านผูวิเศษท่านไม่ละล้วนลายไม่ทิ้งวนลายของท่านเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีครูสอนให้พยายามทําความเดืดเดืยดอาหารต่อเตียงเสมออยากให้สิ่งใดแซงหน้าทำไปนะ ให้ทําแสงสิ่งทั้งหลายไปเสมอคือว่ากิเลสเลี้ยงพยายามให้ทําแสงอย่าให้กิเลดแสงทำเหมือนย้มเหมือนตายเรื่องความอากความคือพยายานความไม่นิ่งรู้ตัวความเพ้อเพ้อเห่ห์เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวลืมตาอย่านาํามาใช้ในวงปฏิบัติของเราที่เห็นว่าการเรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งอยากจะทายังไ ง, งการเสริมคุณค่าขอ ง, ขงตนให้หยิ่งลิบไปถ้าไม่ดําเนินด้วยการปฏิบัติ ปฏิบัตาที่เดียวอานหานต่อสู้กับกิเลูรุยะแต่แล้วไม่เรียบมมกเป็นผู้ต้องการทำขั้นสูงหรือผู้ต้องการหวังความเป็นสิ่ิมงคลความเงินนจุความเป็นหลักฐานแย่ที่ใจของตอนพยายามนักปนิพานคอยอยู่เสมออยู่ที่ใจนันง เาจะไปจิกวิาการจิตพุนทนฐานสถานที่พระพุทธเจ้าแนานนานแล้วได้สองพันห้ารอยปีนีานเองมิเนียกุจินารากุจินาราอันนั้อง น, น, อ น, นเป็นการเป็นสถานทนี่เป็นสมุอันนี้เนี่ารผลนิพพานท่านภาษาว่าข้างหลายบรรลุพระพุทธเจ้าทรง่ า, าพระพุทธเจ้าแต่สรุปภาษาว่าข้างหลายบรรลุธรรมดูที่นัานที่นี่างแต่สมัยนั้นของ นั่นก็เป็นการปฏิฐานที่ลักใหญ่จริงๆบรรลุเพราะอะไรตัดส ร, รุปเพราะอะไรเพราะมัชจิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้ากับมัจจิมาปฏิปทาในหลักธรรมชาติที่เหมาะสมควรจะตัดสรุปทําได้เพราะตัดสรุปได้ด้วยมัชจิมาในหลักธรรมชาติบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ได้ยินฟังรรจากพระพุทธเจ้าแสดงโดยความเป็นจอมปราบ เนี้ยยิ่งจะเอาแต่เนื้อเนื้อมาแสดงอะไรผู้ฟังก็ฟังแต่เนื้อเนื้อด้วยความสนใจแท้ทำเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งห็นจริงจริงปรากฏขึ้นได้ง่ายก็ความทุ่มเทกําลังทุกส่วนเพื่อทําให้งนั้นไม่เน่ยมีอะไรที่จะไหลแทรกเข้ามาเป็นของปอมปลอมเราเห็นนี่ในประวัติสาวประวัติก็ดีพระประวัติทระเจ้าก็ดีออกมาจากส ก, กุลใดบ้างปีนาซีพระชามหาศัตว ไม่ทราบว่ากี่องค์เษฐีกระดุมพีก็ไม่ทราบว่าเท่าจานวนเท่าไรต่อค้าประชาชนคนธรรมดาอืนั้นเหตุใดเวลาฟังธรรมของพระพุทธจ้าเนี่ยได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรความมรลุเหล่านั้นน่ะเพราะอะไรก็คือเพราะมัจมาปฏิปันปัฐานนั่นเองมันไม่ใช่เพราะการเปนสถานที่ีอืมการเป็นนั่น เป็นการทางหากสถานที่เป็นสถานที่ทางหากแต่มัิมาปฏิปทานนี้อยู่กับหัวใจแล้วทีกดนินเรศอยู่ที่ใจอแก่ลงที่นี่มัิมาปฏิปทาเอาให้เข้มแข็งตามหลักปุ้ยเจ้าทรงสอนไว้แล้วเวลาจะไปนิพพานก็ได้รับสั่งว่าอย่างถูกต้องตายตัวแล้วไม่มีข้อใดที่จะพ้านได้นแน้แต่ น, อน้อยทำและวินัยนั่นแหละ จะเป็นสายด า, าแทนตัวทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแลย้ยฟังนี้ทำไม่ได้ก็คือทางดําเนินเครื่องมือบุกเบิกฟากฟันหันแหลกที่เร็จะไม่รวมเข้าอยู่ในมัจจิมาจะเรียกม่าอย่างไรสินสมาธิปัญญานะมัจจิมาปฏิปทากระดูกท่เรา ท, าทำแล้วคือสินสมาธิปัญญาจะอยู่ในนั้นหมดก็เอานี้แล้วเขามาแก้ที่เร็เราจะไปเอาการสถานที่มาแก้ที่เรไม่ได้ผลเป็นเกิดสัญญาอารมณ์อาวุธญาณิพันธ์นานแล้ว ชิ่นเกีย่อน่นเฉไหมหมดมรรคผลุนิพานมันโมขะผู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็ผู้พูม่ใช่สาวกอรหันอรหันผู้ทรงมรรคผลผ่านเป็นผู้พูนคนโง่เขาบอกปัญญาคนมืดดำกำตาพูดต่างเราจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นแสนนะเป็นที่ยึดของใจถ้าไม่เอาจอมปราศุพุทธเจ้าพูดธรรมตามังรทางศาสนาสามเอเเอาแล้วเอาคนตาบอดนี่เป็นกาณไปามมันก็บอดด้วยไปเที มันก็คํานึงตรงนั้นย้ายจไปที่อื่นไปเอาฟากมันลงไปให้เลยมันไม่ยกทับมาจากไหนมันอยู่ที่หัวใจสติปัญญาศรัทธาวามเพลนี้ให้เลื่อนลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกเกิดขึ้นมามันรองรับป่าชาอยู่แล้วด้วยกันทุกคนป่าชาเต็มตัวของเราทุกคนไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้มันระดัใดสุดส่งเสริมกันแต่ขนาดไหนมันก็หนึ่พ้นที่จะตาย มีปราชาเป็นตัวเดียกันในขณะที่ยังพอเป็นไปได้ทําได้อยู่เวลานี้อย่านอนใจในพยายามประกอบความปัเปลี่ยนอยาเห็นสิ่งใดงานใดเป็นงานสัมพัญยิ่งกว่างานเดินจงครมนั่งสมาธิภาวนาอยากเห็นสมบัติใดว่าเป็นของนําเลิศประเกริญยิ่งกว่ามรรคมิถานอืม เ, อเห็นความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิด ขึ้นจากความหลุดพ้นจากวิริยโดยประการทั้งปวงนี่เป็นยอดฐานขอให้ท่านทั้งหลายนําไปรู้สิ่งยาลดละความเปลี่ยนเอาให้ถึงใจนี่เทศเทศอย่างถึงใจบุกฟังก็ฟังให้ถึงใจเพราะเทศทำไมต้่าเทศอย่างถึงใจถึงใจเจ้าของโืยด้วยความเมตตาสงสารเมตเพื่อด้วยน้ําใจจริงจริม่จะสับแต่วัทเทสแม่ไม่สับแต่ว่มาประชุมนี้เฉยรับหมู่เพื่อนไว้ก็ไม่ได้รับไว้สับแต่ว่ารับไว้ด้วยเหตุด้วยผล เพราะฉะนั้นจึงมองดูหมู่เพื่อนดูทุกทุกระยะในอากาศริยาทั้งการแสดงออกทางวาจาและกิจกรรมอันยากที่สแสดงออกเป็นยังไงขัดข้องกับหลักธรรมยังในบทไหนบทไหนบทไห น, ไหนดูเสมอเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะคอยเตือนเสมหมู่เพื่อนถูกไหมอาจารย์โยมีพันเตห์หอันนี้ก็บอกโอภัยกังปฏิรูปันรับพันแล้วด้วยเหตุโดผลแล้วจึงต้องทําหน้าที่ให้เป็นผูกท่านบรายอธิบายหมู่เพื่อนฟังคุณ